วันที่สนะที่เราจะได้มาใช้ชีวิตที่ทุ่งกำมังได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งเต็มไปด้วยความอัศจรรย์นะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่รอการเรียนรู้และการค้นพบจากเราลองสังเกตนะใช้ตา ห, หูของเราหรืออาจจะรวมถึงการใช้จมูกของเราด้วยในการรับรู้ธรรมชาตินะกลางคืนอย่างนี้เราก็อาจจะได้ยินเสียงนะเสียงแมลงเสียงสกวางเสียงเก้งหรือเสียงนกนะพอสว่างนี่นะลองใช้สายตาของเราสังเกตดูความเป็นไปรอบตัวอาจจะได้เห็นนก นานาชนิดนะที่เขาอาจจะอาศัยต้นไม้นี่เป็นที่อาศัยหลบซ่อนนกแต่ละชนิดนี่ก็มีนิสัยนะมีธรรมชาติที่น่าสนใจมันมีนกชนิดหนึ่งนะทีท่เมืองไทยคงไม่มีแต่มีแค่เมืองนอกนะเรียกว่านกกินพึ่งนะ นกกินพึ่งนี่กินพึ่งเป็นๆ น, นะแล้วก็แต่นกชนิดนี้เนี่ยก็รู้ว่าถ้าจะไปกินพึ่งจากรังเนี่ยโอ้มันยากมากเลยเพราะว่ารังนี่มีพึ่งเป็นเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยขืนไปทะเลาะทะเลาะกัไปก็อาจจะโดนฝูงพึ่งนะลุมทำร้ายได้พึ่งชนิดนี้รู้ว่าถ้าจะกินพึ่งเนี่ยได้เนี่ย ต้องอาศัยตัวช่วยนะตัวช่วยคือใครนะคือคนนั่นแหละตัวช่วยเนี่ยคือคนเพราะคนเนี่ยคนไม่กินพึ่งนะแต่ว่าคนเนี่ยต้องการน้ำพึ่งทำยังไงอะ่ะนะต้องไปชวนมานกกินพึ่งนี่จะไปชวนคนมานกกินพึ่งนี่จะไป เวลาเห็นคนเนี่ยนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านหรือว่าพวกพรานเนี่ยนกกินพึ่งก็จะไปไปบินวนอยู่รอบๆนะหรือไปส่งเสียงร้องส่งเสียงร้องทำไมส่งเสียงร้องเพื่อเชิญชวนแต่ก่อนคนก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้นกชนิดนี้มันเรียกไปทำไมตอนหลังคนก็รู้แล้วอ๋อเขาเรียกไปให้ไปหาลังพึ่งคนก็จะเดินตามนก นกก็บินอยู่ข้างบนนะเหมือนกับโดรนนะเห็นดโดรนเมื่อวานเนี่ยส่วนคนก็เดินตามนกไปนกเนี่ยมันบินเร็วมันก็จะบินไปถึงรังมัไปถึงรังพึ่งก่อนมันไม่เห็นมันเห็นคนยังไม่มามันก็จะไปบินกลับไปหาคนใหม่แล้วก็ไปเรียบนะคนก็เดินตามนกก็บินบินตรงแน่วเลยนะดิ่งเลยไปที่รังพึ่ง รอคนคนยังไม่มามันก็จะบินไปหาคนใหม่อพอคนเห็นนกเาก็รู้แล้วว่าะจะไปทางไหนบางทีคนก็หลงทางนะนกก็คอยนำทางบินกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยระหว่างรังพึ่งหรือต้นไม้เนี่ยกับคนก็ค่อยนำพาคนไปจนถึงรังพึ่งแต่ลคนก็จะสมควันนะสมควัน พึ่งนี่มันเจอควันมันก็กระจายเลยนะพอพึ่งหนีไปนะคนก็ได้รังพึ่งเอาน้าพึ่งไปกินส่วนพึ่งที่มันโดนควันอไล่นี่มันก็กระเจิงเลยนะคราวนี้แหละก็จะได้โอกาสของนกกินพึ่งและ้ะก็กินพึ่งไปทีละตัวทีละตัวจนอิ่มเลยนะก็เรียกว่าวินวินทั้งคู่นะ นกก็ได้พึ่งคนก็ได้นาพึ่งนะนกมันฉลาดนะมันรู้ว่าคนนี่จะช่วยได้ส่วนคนนี่ก็รู้จักกับอยู่กับนกชนิดนี้มาจนรู้ว่าอ๋อนี่เขามาเรียกเรานะมันเรียกเราให้ไปกินให้ไปตีพึ่งหรือให้ไปซุ่มควันไล่พึ่งแต่คราวนี้มันก็มีมีมีรายละเอียดเพิ่มนะ บางทีคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าคือนกเนี่ยอคือนกนี่เวลามันเป็นบินไปไปที่รังพึ่ง น, นะมันเรียกคนมาแล้วคนก็เดินตามนกมันก็ไปบินรออยู่ที่รังพึ่งมันไม่เห็นคนมามันก็บินกลับไปเรียกคนคนเนี่ยนะถ้าสังเกตว่านกมันหายไปนานนะกว่ามันจะโผล่มาอีกทีนี่บางทีครึ่งชั่วโมงนะ แสดงว่าอะไรแสดงว่ารังพึ่งอยู่ไกลคนก็ขี้เกียจไปนะไอ้รังพึ่งไกลไปคนก็ไม่ไปแล้วคนก็ไม่เดินตามไม่ตามหาเพราะรู้ว่ามันไกลพึ่งมารอเห็นคนไม่ไปไหนนะคนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเนี่ยก็รู้แล้วว่าไอ้ที่คนเนี่ยไม่ไปนี่ก็เพราะอะไรเพราะมันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนกก็เลยมีออกอุบายนะออกอุบาย เวลาไปเนี่ยจะจะจะหายตัวไม่นานนะเช่นแทนที่จะบินไปจากคนไปหาลังพึ่งเลยเนี่ยสมมุติเป็นสองสามกิโลเนี่ยมนรู้ว่าคือมนบินไปบินมาเนี่ยคนไม่ตามหรอกเพราะคนรู้ว่ามันไกลมันก็จะบินไปแค่บินไปแค่สักห้ารอยเมตรแล้วมันก็กลับมาเรียกคนคนก็นึกว่าโอ๊ยลังพึ่งนี่อยู่ใกล้แค่นี้เองคนก็เดินตามนะ กว่าจะรู้ว่าโดนพึ่งโดนโดนนกหลอกนี่ก็เดินไปเล่าเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคนบางทีโดนนกหลอกนะนกมันแกล้งหลอกว่าทางไม่ไกลหลอกมันก็แค่มันก็บินไปแค่ห้าร้อยเมตรแล้วกลับมาที่จริงทางบินกิโลเลยตอนหลังคนก็รู้นะว่าถูกนกหลอกนะทํำยังไงอะ่ะทําไงจะแน่ใจว่าไอ้ไอ้หลังพึ่งนี่มันอยู่ไม่ไกลหรือว่าอยู่ไกลทำยังไงจะแน่ใจว่าจะไม่โดนนกหลอก ก็ต้องเดินก็ต้องอเดินไปข้างหน้านะเพื่อดูให้แน่ใจว่าเอ้ยนกเนี่ยนะมันหลอกเราหรือเปล่านะเช่นถ้ามันไปห้าร้อยเมตรเรวไม่ทันถึงรังพึ่งของกลับมาเนี่ยคนก็รู้แล้วว่าอ๋ออย่างนี้นี่นกหลอกแนนะ่ก็ไม่ไปนะคนก็ฉลาดนะจะเลือกแต่รังพึ่งที่ใกล้ให้ไอ้รังพึ่งไกลๆก็ไม่ไป ส่วนนกนี่มันก็อยากได้รังพึ่งก็ต้องหาทางหลอกค น, นะคนก็ต้องพยายามรู้ทั น, นะว่านกนี่หลอกหรือเปล่าตกลงเนี่ยนะนกมันก็ต้องหาทางพยายามไม่ให้คนรู้ทั น, นมันก็มีอุบายต่างๆนะสุดท้ายก็สามารถจะพาคนเนี่ยนะไปรังพึ่งได้อห้เี้เป็นความฉลาดของนกนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็นก เป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างนกกับคนในธรรมชาตินี่มันจะมีความร่วมมือกันเยอะแยะบางทีไม่ต้องอาศัยคนก็ได้นะมันก็ร่วมมือกันอย่างที่เมื่อเมื่อเมื่อวานนี่เราก็ไปเห็นต้นไซนี่นะต้นไซใหญนะ่ต้นไซนี่มันก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของของของสัตว์นานาชนิดนะ ไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นนกก็รอกลิงนะแต่ขนาดเดียวกันต้นสายมันก็ต้องอาศัยอาศัยสัตว์ด้วยนะอาศัยแมลงเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยสามารถจะแพร่พันธุ์ไปได้ไกลๆนะมันก็ต้องอาศัยอาศัยนกนี่แหละนะอาศัยสัตว์นี่แหละมันก็ให้ร่มเงากับสัตว์เหล่านี้ สัตว์เหล่านี้มากินต้นมากินลูกไส่ลูกไส่มันก็อยู่ในท้องของนกของสัตว์มันก็เวลามันไปไหนเนี่ยมันก็ช่วยแพร่พันธุ์ไปด้วยก็ถ่ายเวลามันขี้เนี่ยนะมันก็จะมีพวกลูกไส่เนี่ยมันก็กระจายไปตามที่ต่างๆนี่เรียกว่าพึ่งพาศัยกันต้นไส่ให้ร่มเงาให้อาหารกับสัตว์เหล่านี้ขัดเดียวกันก็อาศัยสัตว์เหล่านี้แหละนะช่วยกระจาย กระจายลูกทรายให้แพร่ไปไกลๆนะก็เรียกว่าพวกนี้เป็นนักปลูกป่าก็าได้ประโยชน์นะทั้งตน้นสายด้วยแล้วก็สัตว์ด้วยคนเราเนี่ยนะมันก็ได้ประโยชน์จากป่ามากมายได้เปรี่ยวจากธรรมชาติมากมายทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่ยนะทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่ยมันก็เกิดจากธรรมชาตินะอากาศที่เราหายใจ มันก็มาจากออกซิเจนนะที่ต้นไม้เขาผลิตมาให้ที่จริงไม่ใช่ต้นไม้เพียงเดียวนะโอ้ยมีอีกเยอะแยะเลยนะที่เขาผลิตออกซิเจนให้เราแม้แต่สาหร่ายตัวเล็กๆที่มองเห็นตาเปล่าไม่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นน่ยในทะเลเนี่ยก็มีพวกสาหร่ายเคลือแพลงตอนนะแพลงตอนนี่เล็กมากก็เป็นตัวผลิตออกซิเจนเนื <c oughs> ้อตัวเราเนี่ยนะหนังเนื้อเราเนี่ยนะนะมันมาจากไหนมาจากอาหาร อาหารนี่มาจากไหนอาหารก็มาจากป่าอาหารก็มาจากธรรมชาติถึงแม้ว่าเราบอกว่าเอ้ยอาหารนี่เราไปซื้อมาจากตลาดไปซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อจากเซเว่นนะอันนั้นมันปลายทางแล้วแต่ต้นทางคือธรรมชาตนะิแม้แต่นะจีวรหรือเสื้อที่เราสวมใส่เนี่ยนะมันก็ไม่ธรรมชาติฉชนรับฟ่า บางนบอกีนี้ไม่ใช้ฝ้ายแล้วใช้โพลีเอสเตอร์นะใช้ไนลอนไอ้พวกนี้มันก็มาจากน้ำมันนะน้ำมันมาจากไหนนะน้ำมันก็มาจากซากพืชซากสัตว์นะที่มันสะสมทับถมกันเป็นหลายร้อยล้านปนะีแว่นตาของเราก็มาจากธรรมชาตินะที่เอาใส่เนี่ยมันก็มาจากแร่ธาตุต่างๆนะที่ฝังอยู่ในดินนะมนุษย์เราก็เอามาถลุงให้กลายเป็น เป็นเหล็กบ้างนะบางทีก็มาสังเคราะห์นะแต่ว่ามันก็ใหม่ธรรมชาติทั้งนั้นนะอลูมิเนียมเหล็กตะกั่วพวกนี้ธรรมชาติทั้งนั้นทั้ง น, นทั้งตัวเรานะตับไตไส้พุงนี่มันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอาหารอากาศแร่ธาตุจากธรรมชาติเน้อเราไม่ไี้บุญคุณธรรมชาติเยอะนะเราเคย เคยตระหนักไม่ว่าธรรมชาตินี่เขาก่อรูปก่นร่างเป็นตัวเราขึ้นมาคนสมัยก่อนจึงเรียกธรรมชาติเป็นแม่นะเป็นแม่แม่ธรณีแม่คงคานะแม่โพศบนะั่นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเ่ยควรจะสำนึกในบุญของธรรมชาตินะแม้ถ้าเราไม่สำนึกในบุญของธรรมชาติเราทำลายธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะลงเออเหมือนกับ นิทานเรื่องหนึ่งในชาดกนะมันมีกวางตัวหนึ่งเนี่ยนะกวางตัวหนึ่งเนี่ยมันโดนพรานไล่ล่านะพรานนี่เข้าไปในป่าเห็นกวางก็นะไล่ล่าเลยกวางนี่มันก็หลบนะไม่รู้จะหลบไปทางไหนมันก็หลบอยู่ในพุ่มไม้พุ่มไม้หนาเลย มันหลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ในดงไม้นี่นะบอกว่าพรานมองไม่เห็นนะพรานก็เดินผ่านไปอันนี้กวางเนี่ยมันอยู่ในพุ่มไม้เสร็จเออมันอยู่สู้สบายฮะกวางนี่มันกินน่ะกินใบไม้เนี่ยมันก็เลยกินใบไม้เนี่ยจากพุ่มไม้ที่มันหลบซ่อนอยู่กินจนเพลินเลยนะกินจนจนกระทั่งใบใบแทบไม่เหลือเลยพุ่มไม้ที่มันหนาห น, นามก็เลยบาง ที่มันเคยหลบที่มันเคยบางกวางได้มันก็บังไม่ได้แล้วเพราะมดเพราะเพราะกวางกินใบไม้เนี่ยจนมันมันบางตายพรานเนี่ยนะมันไปตาไปตามล่าหากวางไปไม่เจอเก็เลยวกกลับมากลับมาตรงจุดที่เคยเป็นพุ่มไม้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่พุ่มไม้แล้วนะเพราะว่าใบแทบไม่เหลือแล้วกวางกินจนเพลิน ก็เลยนอนพรานกลับมาก็เจอเลยนะเจอเจอกวางกวางมันหนีไม่ทันก็เลยโดนยิงตายก่อนจะตายเนี่ยพรานก็ลำพึงว่าเนี่ยเรานี่มาอาศัยพุ่มไม้เนี่ยหลบภัยแต่เราไม่เห็นบุญคุณของพุ่มไม้นะเรากินใบไม้เนี่ยจนไม่เหลือเลยเ พุ่มไม้มันก็เลยไม่สามารถจะบังเราได้ต่อไปก็เลยต้องตายนะก็มาได้สำนึกผิดนะว่าโอเป็นเพราะเราไม่มีความกระตนอยู่ลูกคุนพุ่มไม่นะเรากินใบมันจนหมดเลยเราจึงตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิทานในชาดกนะที่เขาไม่ได้สอนกว้างนะนิทานที่เ้าสอนไทยอะ ก็สอนคนนะว่าคนเราเนี่ยอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องรู้จักปกป้องรักษาหรือว่าขอรบธรรมชาติไม่ใช่ว่าอาศัยธรรมชาติให้น้ำให้อาหารนะให้ที่พักให้ปัจจัยเสียสจแล้วก็ทำลายจนไม่เหลืองั้นเราต้องนะต้องรู้จักเห็นคุณค่างธรรมชาติแล้วก็สำนึกในบุญคุณของธรรมชาติ แล้วก็ช่วยกันรักษาเอาไวนะ้ผู้เจ้าจัดนะว่าผู้ใดเนี่ยอาศัยร่มเงาของต้นไม้อาศัยร่มเงาของต้นไม้มไมก็ไม่ควรริดกิ่งริดใบของต้นไม้นั้นเพราะผู้ปทุศร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามในเมื่อเราอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำลายต้นไม้นั้นอย่าไปริดกิ่งนะ หรือว่าโคนต้นไม้นั้นแนะม้แต่ลิกกิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ปทุสสลายมิตรนะและผู้ปทุษสลายมิตนะรนี่เป็นคนเหลวซ้ำอนี้พระเจ้าสอนให้เรามองว่าธรรมชาติเนี่ยต้นไม้เป็นเป็นต้นเนี่ยเป็นมิตรนะเป็นมิตรไม่ใช่แค่ทรัพยากรนะเดี๋ยวนี้เราถูกสอนมาว่าพวกนี้เป็นทรัพยากรทรัพยากรก็ปแปลอะไรแปลว่าสิ่งที่จะมาสนองความต้องการของมนุษย์ ต้นไม้นี่ไม่ใช่ทรัพยากรแค่นั้นนะเป็นมากกว่านั้นนะเป็นมิตรเป็นมิตรที่ช่วยให้คนเราเนี่ยจเจริญแล้วก็สุขสบายมาจนทุกวันนี้แต่ว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รักมิตรหรือว่าเคารพผู้มีพระคุณเท่าไหร่ยิ่งสบายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายนะเพื่อจะได้เอา เอาทรัพยากรเนี่ยเอาไมเ้เอาสัตว์เอาแร่ธาตุเนี่ยมาใช้ปนเปื้อตัวเองมากขึ้นหรือแม้แต่ทำลา ย, ยทำลายป่าเพื่อสร้างเขื่อนทำลายป่าเพื่อสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนไปทำไมเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วเราก็ใช้ไฟฟ้ากันอย่างฟุ่มเฟือย ท, ทั้งที่ใช้อย่างประหยัดก็ได้แต่เราก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเปิดไฟทิ้งทั้งวัน บางทีก็เปิดแอร์ทิ้งทั้งวันเลยนะไม่อยู่บ้านแนละ้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้เปิดน้ําก็เวลาล้างหน้าก็เปิดทิ้งเอาไว้แทนที่จะเปิดเฉพาะเวลาจะใช้เราเอาความสบายนี้เราถือว่าความสบายเป็นพระเจ้าเนีเราก็เลยทําลายธรรมชาติเสร็จ แ, แล้วตอนนี้เราก็ต้องมารับกรรมแล้วนะตอนนี้ฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล อากาศก็เป็นบลพิษดินก็ตายปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นน้ำก็เสียปลาในทะเลก็หดหายอีกไม่นานก็น้ำท่วมละเพราะว่าเกิดปรากฏการโลกร้อนนะรู้จักไม่โลกร้อนอนะ่ะตอนนี้เนี่ยนะพวกเราเนี่ยนะอีกสักห้าสิบปีนะไม่ต้องห0สิปีหรอยี่สปีเนี่ยคงได้เจอแล้วล่ะ ตอนนี้ก็มันก็ปรากฏอยู่เป็นระยะระยะหรือว่าต่อเนื่องเขาว่า20ปีนี่นะกรุงเทพนี่ก็คงจะโดนน้ําท่วมแล้วเกาะอีกหลายเกาะในมหาส Pacific, มุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียก็จะโดนน้าท่วมเพราะว่าน้ําแข็งมันละลายน้ําแข็งขั้วโลกเหนือมันละลายน้ําท่วมหลวงพ่อนี่อาจจะไม่ได้เจอแล้วล่ะแต่พวกเราต้องเจอนะ ถ้าอายุสักสี่สิบห้าสิบเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นบุญคุณธรรมชาติเราไม่เคารพธรรมชาติเราเห็นแก่ตัวเราคิดว่าต้นไม้นี่เป็นแค่ซุงที่ยังไม่ได้ตัดนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขามีชีวิตนะมีชีวิตแบบที่เขารู้ร้อนรู้นหนาวได้ตอนนี้เขาพบแล้วนะว่าต้นไม้เนี่ยนะโดยเพราะในป่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เรานึกกันนะ มันเป็นหมู่เป็นคณะนะมันมีความรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวช่วยเหลือกันต้นไม้นี่นะมันช่วยเหลือกันนะอย่างเช่นเขาพบ ว, ว่าในแอฟริกาเนี่ยเวลามียีราฟรู้จักยีราฟนะมยีราฟนี่มันกินมันกินใบไม้เวลามันกินมต้นไม้เวลามันกินใบไม้นี่นะหรือมแมลงก็ไดนะ้มากินใบไม้เนี่ยต้นไม้นี่มันจะส่งกลิ่น เนี่ยส่งกลิปป่นไปทำไมส่งกลิ่นไปบอกพรรคพวกที่อยู่รอบๆว่ามีภัยกำลังมาไอ้ต้นไม้ต้นอื่นที่มันได้กลิ่นเนี่ยนะมันได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มเตรียมตัวละเตรียมตัวรับมือกับภัยที่กำลงังมาเตรียมตัวยังไง ร, รู้ไหมมันก็จะเริ่มผลิตผลิตสารพิษขึ้นมาเริ่มผลิตสารพิษขึ้นมาตามใบไม้ อันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกสันเนี่ยมากินต้นไม้ต้นอื่นต้นแรกนี่ทุกที่ถูกกินเนี่ยนะมันจะส่งสัญญาณนะเป็นเป็นกลิ่นนะคล้ายๆกับมดเนี่ยเวลามดนี่มันส่งสัญญาณก็ส่งสัญญาณทางกลิ่นไม่ไม่มีภาษาพูดนะมดเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณก็คือฟีโรโมนนะฟีโรโมนเป็นกลิ่นต้นไม้นี่เขาก็พบว่ามันส่งกลิ่นนะแต่ไม่ใช่ฟีโรโมนนะมันส่งสัญญาณเป็นกลิ่นเป็นสาร ไอ้ต้นไม้ตัวอื่นๆคอยรู้ว่าเอ้ยเตรียมตัวนะกําลังจะมีสัตว์ร้ายมากินใบของพวกเราแล้วนะก็จะเตรียม ส, ส่งปล่อยสารพิษออกมาตอนนี้เขาพบว่าต้นไม้นี่มันอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นมันไม่ใช่ครอบครัวนะอยู่กันเป็นเมืองนะเป็นชุมชนนะต้นไม้นี่อยู่กันเป็นชุมชนไม่ใช่ต่างต่างคนต่างอยู่นะเป็นชุมชนเลย แล้วก็เหมือนกับคนล่ะคนเขาเราียกว่าเป็นสัตว์สังคมนะอยู่กันเป็นกลุ่มต้นไม้ในในป่านี้เขาเราียกว่าเป็นพืชสังคมนะมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วคอยช่วยกันอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งรู้นะแล้วก็คงจะมีคงจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในดี่นี้เขาพบว่าต้นไม้เนี่ยถ้าต้นไม้ทุต้นไม้ในป่าต้นไหนถูกตัดนะถูกโค่นนะเหลือแต่ต่อ ดันจะมีบางต่อนะที่ไม่ตายนะจะมีบางต้นที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้รอบๆข้าวเนี่ยเขาจะเลี้ยงเอาไว้รากเนี่ยรากของมันเนี่ยจะคอยส่งส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต่อเอาไว้แต่ก็จะเป็นเฉพาะตอบางต้นนะไม่ใช่ตอทุกต้นนะต้นที่เคยเป็นต้นปู่ต้นย่าต้นตาต้นใหญ่นี่ก็จะเลี้ยงเอาไว้ก็เลยสงสัยว่าไอ้ต้นไม้ตัวอื่นๆที่อยู่รอบๆที่คอยเลี้ยง ตอเ น, นี่ยนะมันคงจะเป็นรุ่นลูก ร, ร, รุ่นหลานนะหรือเป็นเพื่อนนะมันเลี้ยงเอาไว้นะเพราะตอเ น, นี่ยนะอายุสามสิบปีแล้วเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายแล้วก็ไม่แข็งนะเพราะว่ามันมีการเลี้ยงเอาไว้ทางทางรากแสดงว่าเขารักกันต้นไม้ที่เขารักกันนะเขาช่วยเหลือกัน มันมันก็มีชีวิตจิตใจนะเมื่อนคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาใครเดือดร้อนนะก็จะมีคนหนึ่งคอยช่วยเหมือนกับช้างเนี่ยช้างที่เมื่อวานที่พูดเนี่ยตัวนึงถูกยิงไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปหนีบเอาไว้แล้วก็พานะพาไปพาหนีภัยนะสัตว์นี่เขาอยู่กันเป็นชุมชนช่วยเหลือกันมากนะแม้แั่สัตว์ต่างชนิดก็ช่วยเหลือกันนะ เคยดูคลิปวิดีโอหรือเปล่านะในสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะมันมีมันมีหงตัวหนึ่งเนี่ยคนก็เลี้ยงหงนะด้วยการเอาปลานี่มาให้หงไอหงตัวนี้นี่มันกินนิดเดียวนะเลาปลาที่เหลือนี่ไปไปทะไรรู้มหมเอาไปช่วยปลามันตายหมดแล้วละ่ะก็ให้ปลาตายให้หงกินนะปลาเนี่ยก็ ไม่ใ ช, ไใ ช, ไใช่ไม่ใช่ปลาไม่ใช่ขอโทษเอาอาหารเอาอาหารไปให้หงนะพวกข น, นมปังอะไรพวกเนี้ยนะหงเนี่ยก็กินนิดหน่อยนะเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไปให้ปลาปลาปลาที่อยู่ในบึงปลาที่อยู่ในสระเป็นปลาคาร์ฟบ้างปลานิ้นบ้างนะถึงเวลาอาหารเนี่ยนะถึงเวลาอาหารของหงเนี่ย ้ปลาในบึงในสายมันก็จะมาออกันอยู่ใกล้ๆหงนี่อยู่ริมฝั่งใช่ไหมหงกินอาหารเสร็จก็เหลือเสร็จแล้วก็เอาอาหารที่เหลือเนี่ยมาให้ปลานะให้ทีละตัวนะนะมันมันคิมันมันคาบคาบอาหารแล้วก็มาปล่อยให้ปลาทีละตัวทีละตัวปลาก็กินกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ปไปตัวอื่นก็มานี่เขาช่วยเหลือกันนะ เดีย๋ยวนี้เราพบว่าแ ม, ม้แต่ต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่นกไม่ใช่หงนะไม่ใช่ช้างที่ทำแบบนี้ได้ต้นไม้ก็ทำแบบนี้เหมือนกันเวลาเราไปอยู่ท่ามกลางต้นไม้ก็ให้รู้นะว่าอันนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางชีวิตนะที่เขาจะเรียกว่ามีจิตมีใจก็คงพอเรียกได้นะที่เอาใจใส่ช่วยเหลือกัน เพาไม่ใช่ทรัพยากรที่เราจะตัดนะเอาไปขายเพราะถือว่ามันเป็นแค่คาร์บอนเวียซาบอกว่ามันคือคาร์บอนแต่ที่จริงเนี่ยมันมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเดือดเนื้อนะรู้ร้อนรู้หนาวนะเวลาเพื่อนถูกตัดนะ ต, ต้นไม้ต้นอื่นก็รู้ร้อนรู้หนาวด้วยเวลาเหลือแต่ตอเขาก็ช่วยเหลือกันนะเหมือนกับมีจิตมีใจแบบเดียวกับเราเลย ให้รู้จักธรรมชาติแบบเนี้ยไว้เราจะได้มีความเคารพแล้วก็ช่วยกันรักษาปลูกต้นไม้ให้ให้เป็นป่าหรือว่าปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาและเพื่อเราจะได้นะดูแลเขาสนทนากับเขากอดเขาบ้างเวลากอดต้นไม้นี่ไม่ใช่เราที่ได้พลังจากต้นไม้นะต้นไม้เขาจะ อบอุ่นด้วยนะคนที่ไปกอดต้นไม้เนี่ยบ่อยเนี่ยต้นไม้มันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตได้ดีน ะ, it it s all, <S นะ เ, เวลาเราร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังต้นไม้ก็จเจริญเติบโตได้ livelihood. ไวไอ้คนร้องก็มีความสุขต้นไม้นี่ก็พลอยจเจริญเติบโตด้วยสัตว์ก็เหมือนกันนะเราร้องเพลงให้สัตว์ฟังสัตว์ก็ชอบเรากอดสัตว์สัตว์ก็ชอบต้นไม้ก็ชอบเหมือนกันนะแล้วเนี่ยก็ ถ้าที่บ้านเรามีพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ต้นไม้ยืนต้นนะแล้วก็บมรุงดูแลเขาไม่ใช่ด้วยน้ำด้วยปุ๋ยอย่างเดียวนะแต่ด้วยเสียงเพลงด้วยการสัมผัสที่อ่อนโยนเขาก็จะโตไวโตไวแล้วเขาก็จะให้่มงง่าวกับเราแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งต้นไม้และคนเอาละนะช้านีานกพ่าเท่านี้นะกราบฮะ